ตอนนี้พวกเราภาวนาเก่งๆเนี่ยเยอะมากเลยนะภาวนาแบบใช้ได้เลยหพ่อนับไม่ถูกแล้วตอนนี้ถ้าจับหลักการภาวนาให้แม่นแล้วก็มันไม่ยากเดินในหลักของใจสิกขาอย่าทิ้งมันจำเป็นทั้งหมดเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาฟังแล้วซ้ำซากน่าเบือ่อ มันไม่มีศีลมันไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอย่างแต่สมาธิที่คนทั่วๆไปรู้จักนะมันไม่ใช่สมาธิชนิดที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิสงบเฉยๆสมาธิมันมีสองชนิดหลวงพ่อจะจำจี้จำชัยอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่ไหนแต่ไรนะอย่างฝึกพวกเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อบวช พ่อจะคอยสอนเพื่อนๆให้รู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันหลงหลงไปคิดแล้วรู้ไหมหลงไปคิดแล้วรูไ้ไหมต้องมีปฏิหารไหมถึงจะถามได้ไม่ต้องหรอกมันหลงตลอดเวลาถามเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้หลงอยู่รู้สึกไหม <c oughs> พอรู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็ตื่นจิตก็ตื่นขึ้นมา จิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่จะเดินปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเดินปัญญาไม่ได้มีแต่จิตผู้สงบอยู่เฉยเดินปัญญาไม่ได้นีเรื่องสมาธิเป็นเรื่องอาภัพบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกให้มีสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน บทเรียนชื่อจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดเลยในไตรสิกขาสีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาใครๆก็เห่อปัญญาสิกขาอยากเรียนวิธีเจริญปัญญาแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีวิธีเจริญปัญญาแยกไม่ออกว่าภาวนาแบบไหนเป็นสมถะชนิดไหนเป็นมิปัสสนาแต่หลังๆลง แ, มแม่นแม่นกันขึ้นเยอ ะ, ะรู้ว่าต้องรู้รูปนาม ในการรู้รูปนามอย่างเดียวยังไม่ถึงวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนาณนะะก่อนจะมาทําวิปัสนาก่อนที่จะมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตต้องตั้งมั่นให้เราต้องสร้างเครื่องมือสําคัญขึ้นมาก็คือจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักคนูปนิชฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมาได้เลยเรียกลักคนูปนิชฌาน อาภัพมากนะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เราคิดว่าก่อนจะปฏิบัตินะต้องนั่งสมาธินั่งก็นั่งกันเอาสงบมุ่งไปที่สงบเอาให้นิ่งไว้ก่อนสงบสว่างที่ม่าสงบสว่างแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันเลยทำไมกล้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เจ็ดควบ ถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะจิตสว่างสบายสงบมันรู้พระราหารัรนุกคงบรรลุตั้งแต่เจ็ดปดขวบแล้วนั่งสมาธิทุกวันชอบพบว่ามันมันก็อยู่แค่นั้นสงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งอีกฟุก้งใบพอตกเย็นตกค่ำเราก็มานั่งสมาธิใหม่สงบอีกพอเช้าขึ้นมาไปเรียนหนังสือไปทำอะไรต่ออะไรก็ฟุ้งอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนไปเริ่มทำงานมีเวลาเยอะตอนกลางวันมีเวลาเยอะเพราะเราไม่ถลายไปไหนถ้าไม่ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะก็ไปนั่งสมาธิหาทางปฏิบัตินะนั่งสมาธิทุกวันรอนั่งตอนเย็นอย่างเดียวไม่พอแล้วรู้สึกไม่เห็นพัฒนาเลยนั่งกลางวันด้วย บางช่วงขยันหน่อยนั่งเช้าเช้ากลางวันเย็นสามเวลาก่อนอาหารหลังอาหารหนึ่งมันก็อยู่แค่นั้นเองไปไหนไม่รอดเลยได้แต่ความสงบสบายสว่างตอนเด็กๆแยกว่านี้ตอนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วออกนอกเที่ยวดูออกไปข้างนอกไปเที่ยวดูเทวดาดูอะไรอย่างนี้ เทวดาจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะไม่มีใครรับรองให้ไปก็ไม่มีพา ส, สปอร์ต <c oughs> ไปไปดูเฉยๆไม่ใช่ของดีของวิเศษเล ย, เลยสุดท้ายรู้ว่าไม่ใช่ทางที่จะไปไหนได้เลยเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐี <c oughs> เห็นสมบัติของเขาไม่ใช่สมบัติของเราอ่เขามีต้นไม้สวยเทวดาเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้นะไม่ค่อยคลาสสิกอะ่ะ ปลูกนะปลูกเหมือนๆกันนะเยอะมากเลยไปดูไม่เห็นจนได้เรื่องจิตมันหลอกจิตมันหลอนสมาธิอย่างนี้ไม่สงบจริงด้วยเป็นนิมิตนั่งไปช่วงหนึ่งก็รู้สึกไราสาระกลัวผีเห็นเทวดาไม่เท่าไหร่นะถ้าเห็นผีเรากลัวทำไมต้องกลัวเพราะมันคนลสปีชี <laughs> กวามจริงก็พวกโอปปาติกะด้วยกั น, นที่เกิดมาโดยการที่อยู่ๆก็โตพลวดขึ้นมาเลยนีนโอปปาติกะกำเนิดแต่เราก็เลือกถ้าเทวดาไม่กลัวถ้าเจอเทวดาเราจะทำอะไรขอหวยหรือไงขอโ น, น่นขอ น, นี่เจอผีกลัวสวดมนต์ไล่ผีบางตัวสวดมนต์เก่งนะ เราขึ้นอีทีปีโสมนต่อพักวาเลยเอ่นั่งสมาธิแล้วก็ออกนอกเที่ยวดูนนอนดูนี่ไร้สาระจิตหลอนเป็นเรื่องนิมิตทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่สำคัญคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้จะภาวนาไงนะก็แค่ว่าประคองจิตไม่ให้ไม่ให้ไปขาดสติไปถ้าพอสติอ่อนปุ๊บนําจะออก ไปเที่ยวดูข้างนอกแล้วพยายามฝึกที่จะไม่ให้มันไปข้างนอก ไ, ได้สงบทุกวันทุกวันนะฝึกอย่อยางเงี้ยยี่งปีนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอ ไ, ได้ยินเรื่องดูจิตดูใจดูเลยตอนนี้ดูมันทำงานทีแรกดูไม่เป็นแล้วเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับตามนิสัยเคยชินเคยฝึกสมาธิมานี่ จิตจะต้องสงบจิตจะต้องดีจิตจะต้องสว่างถ้าจิตมืดจิตมัวทนไม่ได้จิตฟุ้งซ่านทนไม่ได้จิตมีกิเลสปวดขึ้นทนไม่ได้หาทางต่อสู้จะหลุดไปหมดเลยสู้ตายเพราะภาวนาผิดหลวงปู่ท่านช่วยแก้ให้มัวแต่ไปยุ่งอาการของจิตไม่ได้ดูจิตจริงแลมาดูดูก็คือเห็นจิตมันทํางานจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ดูมันทำงานไปเรื่อยดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดนะเห็นมันไม่มีตัวมีตนอะไรธาตุขันธ์ทั้งหลายนะมันตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยร่างกายก็ตกอยู่ใต้ใจรักเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ใจรักสังขารที่เป็นกุศลอกุศล ก, ก, ก็ตกใต้ใจรักจิตเองก็เกิดดับเนี่ยพวกบางคนติดสมาธินะเดินปัญญาไม่เป็นจะรู้สึกว่าจิตเที่ยง รสึกจิตเป็นของเที่ยงนะจิตไม่เกิดไม่ดับจิตเที่ยงคนไหนเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าจิตมันจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนมองไม่เห็นสันตติมันขาดถ้าดูสันตติไม่ขาดจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงอย่างในตัวเรานี่มีจิตใช่ไหมเรารู้สึกจิตของเราตอนนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนเดิมเนี่ยเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราไม่เห็นสันติขาด มาเรียนกับหลวงพ่อพวกเราเห็นไหมจิตเกิดแล้วดับถ้าคนไหนสติไวๆนะจะเห็นมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นจิตเกิดขึ้นแล้วดับลงไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนี่เราจะเห็นสัน ต, ติขาดถ้าขึ้นอย่างนี้ดูอย่างนี้ได้ทำวิปนะัสสนาแล้วนี่พอป็นเริ่มเข้าใจบ้างนะว่าออทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ใจรักนะ พันห้าทั้งหลายมันเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วก็เที่ยวไปนะเที่ยวไปหาดูคนอื่นปฏิบัติบ้บางเผื่อมันจะมีทีเด็ดหาทีเด็ดหเหมือนกันนะหาเหมือนพวกเราบางคนอะเข้าวัดนี้ออกวัดโน้นหลวงพ่อทำมาแล้วอย่างบนอย่างหนึ่งว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลพอเข้าใจแล้วพอรู้เรื่องเบสิกละรู้ว่าจะเดินปัญญายังไงเที่ยวดูไปที่โน้นที่นี้ ดูไปดูไปนะพบจุดอ่อนของนักปฏิบัติมันเป็นจุดอ่อนซึ่งเราเคยเป็นอะ่ะคือเราทำสมาธิอย่างเดียวเลย ส, สงบนิ่งอยู่งั้นไปที่ไหนก็เจอแต่ก็นักเพ่งเพ่งลูกเดียวกระทั่งไปตามสานักปฏิบัติที่เขาบอกเขาทำวิปัสสนานะเอาเขาจริงก็เพ่งไปเพ่งรูปเพ่ ง, พงน้ำบางที่ก็เพ่งวิญญาณเพ่งจิต ทีตาบางเพ่งบางบางที่ก็เพ่งรูปเพ่งจักขคู่ประสาทเพ่งโสตาประสาทเพ่งอะไรต่ออะไรที่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งตัวทั้งตัวหรือเวทนาเกิดขึ้นก็นั่งเพ่งเวทนานั่งไปแล้วมันปวดมันเมื่อยจะต้องเอาชนะมันให้ได้ต้องนั่งจนมันหายปวดหายเมื่อย ถ้านั่งให้หายปวดหายเมื่อยได้ถือว่าเก่งไม่ใช่วิปั ส, สนาหรอกนะวิปั ส, สนาต้องหลักต้องแม่นนะวิปั ส, สนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่การแทรกแซงหรือเอาชนะรูปนามให้เห็นความจริงของเขาไม่ใช่ไปเอาชนะเขาอย่างเรานั่งสมาธิความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่นั่งเอาชนะความปวดความเมื่อย ถ้าอดทนนะจะได้ขันติได้อะไรได้อธิษฐานบรารมีตั้งใจแล้วก็ทําได้ได้ความเข้มแข็งทาง จ, จิตใจแต่ไม่ใช่ปัญญางั้นไม่ใช่วิปัสสนาได้อย่างอื่นแทนก็ดีเหมือนกันงั้นอย่างความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นความจริงเราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยนะั้นไม่ใช่ร่างกายหรอก ความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นขันอีกขันหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ตกอยู่ใต้ไตรักเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะเดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยลองดูสิที่ว่านั่งแล้วปวดมากๆไม่ได้คงที่นะดีกรีของความปวดนะี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนั่งไปนานๆานหายปวดได้ไหมนั่งไปจนขาชาก็หายเองอะ่ะหรือนั่งไปนานๆ น, นะพอจิตสงบหน่อยนะเลือดมันวิ่งดีนะ ก็หายปวดได้ส no, e no, ั่งให้หายได้ไหมสั่งให้หายปวดไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เห็นอนัตตาตรงที่เห็นความปวดความเมื่อยนะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานี่เห็นอนิจจังนี่เราควบคุมมันไม่ได้หรอกความปวดความเมื่อยก็ตัวมันเองถูกบีบคั้นตัวมันเองก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่มันมาทําความทุกข์ให้เรานะตัวมันเองเราเป็นทุกข์มันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้หรอก ตัวความปวดความเมื่อยก็ถูกบีบคั้นตัวนี้เรียกว่าทุกขังแลนี่ถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาแล้วเอาชนะความปวดความเมื่อยแต่ถ้าเอาชนะได้ก็ได้คุณธรรมอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาแตได้ควบกันไปเลยได้ไหมได้อย่างอื่นด้วยได้ปัญญาด้วยได้ถ้ารู้จักวิธีเดินปัญญาเช่นตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งโตรุ่งไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถปวดแค่ไหนก็ไม่ยอม เราก็นั่งแยกธาตุแยกขันไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความปวดความเมื่อยคือตัวเวทนาอยู่ส่วนความปวดความเมื่อยจิตอยู่ส่วนจิตปวดมากๆเข้าจิตกระสรรับกระสายเห็นความกระสรรับกระสายคือตัวสังขารตนะัวสังขารเกิดขึ้นที่จิตก็อยู่ต่างหากไม่ใช่จิตด้วยความกระสรรับกระสายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตปลุงขึ้นมาแล้วก็จิตไปรู้เข้านะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้เรื่อยอย่างนี้ได้ปัญญา จะเห็นความป่วดความเมื่อยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีานี้ได้ปัญญาแต่ถ้านั่งจะเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาได้อย่างอื่นได้ขันติได้อะไรงั้นไปได้อธิฐานนบารมีได้ขันติานนานบาร ม, ไารมีได้อะไรพวกนั้นไปดีเหมือนกันแต่ไม่ถึงปัญญาถึงปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์หรือภาวนากิเลสเกิดแล้วทนไม่ได้กิเลสเกิดแล้วเกลียดเกลียด อยากให้กิเลสไม่เกิดภาวนาตั้งเป้าไว้ต้องไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาไม่ได้ภาวนาเอาดีกิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสเหมือนที่พระ พ, พุทธเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะถ้าไม่ได้สอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายอย่าให้ราคะเกิดขึ้นดูกราภิกษุทั้งหลายราคะเกิดแล้วให้หาทางละเสีย ถ้าไม่ได้สอนแบบนั้นถ้าสอนในขั้นจริยธรรมจะสอนอย่างนั้นแต่ในสอนในขั้นเดินปัญญาจะไม่สอนอย่างนั้นท่านกบอกว่าดูุขรภิกขุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้ไม่ได้ให้ทําอะไรให้รู้รู้มีสองระดับอันนึงรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ว่ามีราคาเกิดขึ้นนะรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าราคานะั้นะตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์ เบื้องตอนเรารู้ด้วยสติไปก่อนถ้ารู้มีสติรู้เห็นราคะเกิดขึ้นในใจรู้ทันนี่กมีสติแล้วถ้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูได้จริงๆนะมันจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าราคานะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะธรรมอีกงานหนึ่งที่แปรปลอมขึ้นมาอยู่ต่างหากราคะเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นได้ของไม่เคยมีแล้วก็มีเ็าเรียกว่าไม่เที่ยงของมีแล้วหายไปเขาเรียกว่าไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้นานถึงไม่มีก็ทนอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทุกขังทนอยู่ไม่ได้นะถูกบีบคั้นราค้าจะมีหรือราค้าจะไม่มีสั่งไม่ได้ถ้ามีเหตุของราคาราคาก็เกิดถ้าไม่มีเหตุราคาก็ไม่เกิด ถ้าเหตุยังอยู่ราคาก็ยังอยู่ถ้าเหตุดับราคาก็ดับราคาเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งนี่เรียกว่าอนัตตาสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี่ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้ไม่ใช่ไปล้างมันไม่ไปทำอะไรมันเห็นสภาวะของราคาเกิดขึ้นก็แค่รู้เบื้องต้นรู้ด้วยสติว่ามีราคะเบื้องปลายก็รู้ด้วยปัญญา เห็นว่าราคานั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวใช่ตนจิตมีโทสะก็เหมือนกันไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปหาทางละมันเวลาเรากลุ้มใจรู้สึกไม่อยากให้ละอยากหายหายคลุ้มรู้สึกไหมหายไหมไม่หายอะสั่งมันไม่ได้จริงมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเนี่ยอย่างกลุ้มใจขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีโทสะสั่งให้มันไม่มีก็ไม่ได้นะมีแล้วไม่ให้มีก็ไม่ได้ แล้วโทสะเที่ยงไหมไม่ต้องลา่ามันก็หายเองนะเคยโกรธใครมากมากไหมใครใครเคยอกหักใครเคยถูกแฟนทรยศบ้างโกรธไหมอกหั ก, นะกใช่ไหมโกรธใช่ไหมเสียอกเสียใจนึกว่าชาตินี้จะไม่พ้นจากความเสียใจไม่จริงหรอกถึงภาวนาไม่เป็นมันก็หายเสียใจเพราะอะไรเพราะความเสียใจก็ไม่เที่ยง ไม่ใช่ความเสียใจเกิดขึ้นต้องไปหาทางละมันนะมาเรียนรู้มันแล้วเห็นเลยความเสียใจเกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดนะไปคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเสียใจพอหันไปคิดเรื่องอื่นเขาหายเสียใจตอนอยู่สวนโพนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าว่าเขาเคยกลุ่มใจนานคืออกหักหลวงพ่อก็ลองแย่ดูหน้าตาเนี่ยนะชอบเที่ยวห้างเที่ยวศูนย์การค้า แย่ดูว่าเวลาไปศูนย์การค้าเคยปวดท้องมั้งไหมอะไรเงี้ยบอเคยเคยวิ่งหาห้องน้ํำไหมเคยชอบไปที่โน้นที่นี่นะบางที่ยังไม่เคยไปไม่รู้ห้องน้าอยู่ทางไหนปวดท้องขึ้นมาวิ่งหาห้องน้ําทําตอนวิ่งหาห้องน้ําเนี่ยอกหักไหมหาห้องน้ําไม่เจออกหักไหมไม่อกหักะคิดว่าห้องน้ําอยู่ไหนนะไม่คิดออกว่ามึงหักอกกูอกหัก ก็เกิดจากคิดเอาต้อคิดเรื่องนี้ก็รู้สึกอกหักขึ้นมาไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไหมมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับอยู่ไปนานๆขี้เกียจคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆมันก็หายอกหักงั้นจริงๆกระทั่งกิเลสหรือกระทั่งความทุกข์นะก็ไม่เที่ยงกิเลสหรือความทุกข์เกิดได้ก็ดับได้เพียงแต่ว่ามันไม่ทันใจใจเรามันมีความอยากขึ้นมาพอกิเลสเกิดเราไม่ชอบมันมอยากให้หายความทุกข์เกิดเราไม่ชอบอยากให้หายไป ตรงที่เราอยากให้หายนะี่มันจะช้าแล้วรู้สึกช้าไม่หายสักทีเพราะใจเราอยากให้หายไปเวลามีความสุขรู้สึกไหมมันสั้นก็อยากให้อยู่นานๆใช่ไหมตอนจีบแฟนใหม่ๆนึกออกไหมเวลาผ่านไปเร็วๆไม่น่าเชื่อเลยหมดไปหลายชั่วโมงแล้วนะเพิ่งศบตา ก, กันปิ้งปิ้งสองทีเอง<ม> <laughs> เวลาใจเราอยากนะทำให้เกิดเวลาขึ้นมา ใช่เราอยากให้มานะก็เกิดเวลาขึ้นมานะเวลามากเวลาน้อยเกิดนานเกิดไม่นานขึ้นมาอยากให้หมดเร็วๆก็รู้สึกช้านะอยากให้หมดช้าๆรู้สึกเร็วไปนะแต่ถ้าใจเราเป็นกลางนะมันก็มีเหตุหมดก็มีเหตหมุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับนะก็แค่นั้นเองก็อยู่เป็นขณะขณะขณะไปแล้วเราก็จะไม่เกลียดสุขไม่ไม่เกลียดความทุกข์ไม่รักความสุขหรอกนะ ไม่เกลียดความชั่วไม่รักความดีเราเห็นทุกอย่างมันเท่ากันหมดทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยฝึกเดินปัญญาก็าฝึกกันอย่างนี้นะไม่ได้ฝึกเอาเดียวสุขเอา ส, อสงบอะไรหรอกไไนีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่รู้นะรู้ด้วยสติก่อนต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาเข้าใจนะความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์นี่รู้ด้วยสติเห็นเลยความทุกข์ก็เป็นของบังคับไม่ได้นะ ไม่ต้องไปอยากให้มันหายเราอยากมันก็ไม่หายใจเป็นกลางกับความทุกข์นะนี่รู้ด้วยปัญญานะ้เห็นเลยความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงใจก็เป็นกลางนะมีปัญญาขึ้นมาใจก็เป็นกลางเราจะหัดดูสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไปเรื่อยนะทั้งรูปธรรมนามธรรมาดูรูปธรรมนามธรรมเขาทขาทงานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งใจจะเป็นกลางขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาพอ เบื้องต้นก็มีสติรู้ไปร่างกายยืนอยู่ก็รู้ร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้ไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเหลวซ้ายแรงขวาคอยรู้สึกรู้สึกเอานี่รู้ด้วยสติถ้ารู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้รู้ด้วยปัญญาเบื้องต้นมีสตินะ แล้วก็ถ้ารู้ด้วยมีสติรู้รูปรู้นามด้วยใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นถ้าจิตไม่ส่งสมาธิแท้จริงสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะไม่เกิดปัญญาอันนี้เองอะ่ะที่ทําให้พราลยะขาดแคลนหายากพระอริยอริยาอายะนะภาวนาวุ่นว่าบ้บบบาบไปนะจิตรวมฟึ๊บแลอ้ามันรู้พระอริยละล้พวกนี้เยอะมากเลยนะ บาทีนั่งแล้วขาดสตินะลืมเนื้อลืมตัวโลกธาตุดับไปเลยคจริงหลับลึกไปเลยเข้าอาสัญญาสัตตาภูมินะเขาคิดว่าบรรลุแล้วเคิดว่าตอนที่บรรลุมรรคผลนี่ไม่มีจิตคิดอย่างนี้นะว่ารูปนามดับหมดเลยรูปนามจะดับได้วิญญาณต้องดับใช่มวิญญาณเป็นปันจจัยของนามรูปวิญญาณดับนามรูปก็ดับนี้ก็วิญญาณก็คือจิตคิดอย่างนี้เพระั้นพอจิตดับลงไป ร่างกายก็หายไปความรู้สึกนึกคิดอะไรหายหมดเลยนี่พ้นจากรูปจากนามแล้วล่ะนี่แหละนิพพานนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอนาถานิพพานเป็นเป็นธรรมารมชนิดหนึ่งต้องมีจิตถึงจะไปรู้นิพพานได้นิพพานเป็นธรรมารมนะจิตเป็นคนไปรู้นิพพานจิตที่รู้นิพพานได้ก็มีพวกมัคจิตผละจิตในพวกนี้ไปรู้นิพพาน นี่พอไม่เข้าใจนะจิตดับไปเลยบอกไม่มีรูปมีนามเป็นนิพพานไม่ใช่ในขณะที่เกิดมารเกิดผลนะเห็นนิพพานนะมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตเรียกว่ามรรคจิตผลจิตมรรคจิตมีทั้งยี่สิชนิดผลลจิตมีอีกยี่สิบชนิดมีทั้งเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีเลย ฟังเสียงไก่ขันเพราะไหมเห็นใจที่อยากฟังไหมไก่ไม่ยอมขันนะหลวงพ่อบอกฟังไก่ขันซินะมันไม่ร้องสักทีเลยใจมันอยากพวกเราหัดนะอย่าไปหัดสมาธิชัตจิตนิ่งๆทื่อๆสมาธิเคลิ้มเคลิ้มภาวนาไปเรื่อยเคลิมวูบลงไปเลยนึกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝึกสมาธิชนิดที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิสงบ ก, ก็ฝึกเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิสําคัญคือสมาธิที่ใช้เดินปัญญาคนละชนิดกันสมาธิพักผ่อนนะหลวงปู่เทศท่านสมมุติเรียกว่าฉานถ้าเรียกให้เต็มยศก็คืออารามณูปนิชฌานสมาธิชนิดเพ่งตัวอารมณ์เช่นดูท้องพองยุบแล้วเพ่งอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่กับท้องได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิสงบ รู้ลมหายใจจิตแนบเข้าไปกระลมหายใจสว่างขึ้นมาลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่กับความสว่างเพ่งความสว่างอันนี้อารามนูปนิชานเป็นสมถนะสมาธิชนิดนี้แหละที่นักปฏิบัติทั้งหลายนีชอบมากเลยไม่รู้จักสมาธิชนิดที่สองที่เรียกว่าลักขณูปนิชานหปู่เทศท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิชนิดแรกเนี่ยสมาธิเพ่งอารมณ์หลวงปู่หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าฌาน สมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้นะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งหลวงพุทธเทศเรียกสมาธิถ้าศัพท์ทางวิชาการจริงๆเรื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเราเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์สมาธิชนิดที่สองเนี่ยต้องฝึกให้มีขึ้นมาที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่ก่อนบวชนะก็คือเรื่องเนี้เน้นมากเลย เน้นพัฒนาจิตให้มีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีการก็คือให้คอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดให้รู้ทันจิตหลงไปคิดให้รู้ทันไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะของพวกเราเวลาจิตไปคิดเราจะรู้เรื่องที่คิดเราไม่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนั้นเราคอยมารู้ทันแทนที่จะรู้เรื่องราวที่คิดจิตไปคิดให้รู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้ว คิดไหลไปคิดแล้วถ้ารู้อย่างนี้นะจิตจะดีดตัวมาหลุดออกจากโลกของความคิดกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอมันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าพอใจอยู่แค่นี้บางคนพอใจได้รู้สึกตัวแล้วพอใจแล้วตื่นแล้วพอใจแล้วแค่นี้ไม่พอต้องมามีสติรู้รูปรู้รรนามไปแต่รู้ด้วยจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ปัญญาถึงจะเกิดนะนี่พวกเรามักจะมีสตินะเช่น เห็นท on ้องพองยุบก็ไม no ่ลืมเลยเห็นตลอดเดินจงกรมน่ะร่างกายเคลื่อนไหวเลยเห็นตลอดนี่เรียกวมีสตินะแต่ไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีแต่สมาธิที่จิตมันไหลไปไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่อารมณ์ไปเกาะอยู่ที่เท้าไปเกาะอยู่ที่ท้องไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจไปเกาะอยู่ที่มือไปเกาะอยู่ที่เวทนาไปเกาะอยู่ที่จิตเพ่งจิตอยู่นิ่งๆทาได้หมดเลยมันสมาธิที่ไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่ง นี่แหละสมาธิที่ใช้ทําสมถะสมาธิที่จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นอารมณ์ร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมื่นอารมณ์แสนอารมณ์ไหลผ่านไปเฉยๆใจไม่กระโดดตามไปใจดูอยู่ห่างๆอารมณ์นั้นจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามมารมก็ได้จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสพถะจะเป็นธรรมอารมณ์ทางใจก็ได้งล้วนแต่ไหลามาไหลไปจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยตัวนี้สําคัญนะต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ วิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ไหลผ่านหน้าไปก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดถ้าจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นะจิตจะดีดตัวออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็มีสติตามรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี้ยปัญญาจะเกิดจะเห็นไตรลักษณ์เมื่อไรเห็นไตรลักษณ์นะเมื่อ น, นั้นทำิปัสสนาอยู่นะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ขึ้นมิปัสสนา ถ้เห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมเห็นใจรักละเห็นความเป็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราตัวเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของรูปธรรมนามธรรมอันนี้ขึ้นมีปัจฉนาเห็นอนัตตานั่นต้องเห็นตัวนี้ให้ได้จะเห็นได้มีเครื่องมือสองตัวหนึ่งสติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจสองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เกิดจากเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่แห ฝึกตัวนี้นะฝึกให้ได้แล้วจะรู้เลยมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของไกลไม่ใช่ของไกลอ่ะได้เวลานิมนต์ท่านอาจารย์นิมนต์